พระธรรมเทศนาลำดับที่สิเจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าทางก็ให้เดินทรัพย์ก็ให้สแสวงในวันนี้เป็นวันที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2554ัวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือน12สอง ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทือเป็นครวญญาติโยมก็จะได้ประมาทให้ตั้งให้ถึงพอถึงวันพระก็ให้สํานึกไว้ว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันสังสมคุณงามความดีเป็นวันเน่ยที่จะประกอบคุณงามความดีสมหรับเราเพราะพระพุทธเจ้าพระอาจารย์สาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วว่าวันพระ8ค่ำสิบหาค่ำเป็นวันธรรมัสวรรเป็นวันปฏิบัติธรรมให้ราลึกถึงคุณงามความดีหรืออย่างน้อยก็ประกอบคุณงามความดีในวันพระแต่สําหรับพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าให้ความสําคัญแต่คณะทาญาติโยมพวกเราวันพระหนึ่งเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราจะถือเนืัชี้ ไม่นอนตลอดทั้งคืนเดินงอมทั้งคืนนั่งภาวนาเป็นกรณีพิเศษในการทำคุณงามความดีและนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมของเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องเพิ่มเติมตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าวันไหนข็วันเก่าผ่านไปผ่านไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยวันคืนเดือนปีก็ผ่านไป ไม่ใช่ผ่านไปแต่ฟันคืนเดือนปีนะชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วยล่อยหล่อไปเรื่อยหมดไปเรื่อยโยมประโูษเขาให้ชีวิตมาแปดสิบนปะีเขาเขียนใส่วีซ่าไว้แล้วอเขียนใส่พาสปอร์ตวีซ่าไว้แล้วคุณไปเกิดเขาให้แปดสิบปีนะเจ็ดสิบปีนะฮะ เขาให้เจ็ดสิบปีหลวงพ่อเท่าไหร่ปีนี้6กหกสิบเจ็ดน่ะยังอีกกี่ปีอ่ะมันไม่ใช่ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีนะมันเดินเข้าไปหาหลักประหารเรื่อยๆเดินเข้าไปหาสู่มรณะภัยใกล้เข้ามาเรื่อยๆเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่น่าจะถูกต้อง ถ้าจะเดินเข้าไปก็เดินด้วยความระมัดระวังเดินด้วยความไม่ประมาทเดินเอาข้าไปเกสะสะแสวงหาเงินคาทรัพสมบัติไปด้วยในขณะที่เดินทางพอมีเวลาอยู่เดินไปด้วยส ะ, สะแสวงหาทรัพย์ไปด้วยผลในสุดถึงจุดนั้นกนเ็เดินทางต่างประเทศในขณะที่เดินทางต่างประเทศ ก็ยังมีงเงินคำทรัพย์สมบัติติดไม้ติดมือไปด้วยในขณะที่เราเดินทางนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทเราไม่ได้อยู่เฉยเฉยเราก็สวแสวงหาทรัพย์ไปด้วยชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เรายังทรงท้าขันยังไม่ยังมีชีวิตอยู่นะพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสังสมบุญกุศล แณะคือขณะที่เดินทางเราก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทสั่งสมคุณงามความดีเตือนจงกลมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปด้วยอันนี้แหละแปลว่าผู้ไม่ประมาทในเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็ทุกคนต้องถึงจุดจบของชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ว่าการ ไปต่างประเทศนั้นมันต่างกันมันต่างตรงที่ว่าใครมีสมบัติติดตัวไปด้วยใครบ้างที่ร่ล่มจมจิบหายมาเกิดแล้วมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอันนี้มันขาดทุนตรงนี้ขาดทุนตรงที่ว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจตั้งอยู่ในความประมาทเพราพผู้ได้แก้าตั้งอยู่ในความประมาท ทำไมจึงประมาททำไมจึงตั้งอยู่ในความประมาททำไมจึงไม่ใส่ใจส่วนหนึ่งคือคือความไม่เชื่อจัทธาคือความไม่เชื่อในใจมันมีอยู่มันเป็นตอมันเป็นเครื่องกั้นอ่ามันเป็นทานบกั้นในใจของเราความไม่เชื่อจุดนี้แหละมันกั้นอยู่ในใจว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญข่าก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะทั้งข้าไม่มั่นใจในเมื่อข่าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ทุ่มเทไม่ทุ่มเทก็คือไม่ใส่ใจในเมื่อใส่ใจก็ไม่สนใจไม่สนใจก็คือคนไม่สนใจคือไม่ตั้งใจไม่ทําก็คือคนประมาทตั้งอยู่ในความประมาทนี่แหละเป็นหนทางแห่งความประมาทก็คือความไม่เชื่อในใจแต่ว่าความไม่เชื่อในใจเนี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันมีอยู่ขวางหน้าอยู่เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อไว้ดีกว่า ถ้าไม่เชื่อแล้วเป็นยังไงสิ่งที่มันที่เราไม่เชื่อก็คือมีปัญหาอย่างที่ว่านะถ้ามันไปเจอข้างหน้าเข้าไปเหมือนกับเราว่าเขาบอกว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีอสรเพชษนะมีงูจงอางนะมีเพชมีโจนผู้ร้ายดักป้นดักฆ่านะ เ, นเราก็ไม่เชื่อแต่เดินไปไปเจอเข้าไปล่ะ เราจะมีความรู้สึกยังไงในจุดนั้นแก้ไขไม่ได้แล้วสถานการณ์เช่นนั้นแต่เชื่อและไม่เชื่อก็ตามเราก็มองเห็นอยู่แล้วกว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายอันนี้เชื่อและไม่เชื่อคิดไม่อยากคิดอไม่อยากคิดคิดไม่อยากคิดเออไม่อยากจะคิดมันก็ต้องได้คิดเอบางคนก็ไม่คิดในเมื่อไม่คิดก็ไม่เป็นไรแต่วันนั้นมาถึงเข้าไปแล้วก็นั่นแหละละสํารัดสาย จิตใจทนทุกทรมานอย่างมากมากว้าเวเนี่ยมเหงาเศร้าซึมอยู่ในใจรึกเมื่อใกลกจถึงจุดนั้นอันนี้คือใจของผู้มีกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นถ้าใจที่ท่านได้ฝึกดีแล้วได้ฝึกไว้แล้วท่านจะไม่ว้าเวไม่ซึมเศร้าถึงข่าวแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยวาง พอได้คิดไวแล้วแต่ตอนนี้แล้วตายแล้วเกิดหรืตายแล้วสูญจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าท่านทําไมท่านจึงเชื่อว่าตายแล้วเกิดอันนี้ต้องเชื่อบรมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้าท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่าเราต้องอ่านให้ออกต้องกันกรองตามเหตุและผลของท่านทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงเชื่อว่าตายแล้วเกิดท่านก็บอกว่าท่านภาวนาะ พยายามทำใจให้สงบเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนะเกิดฌานนะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วเราจะไปเชื่อตามพระพุทธเจ้าได้ยังไงฮเพราะท่านองค์เดียวตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมาฐานอยู่ในป่าดงพงไพอแล้วท่านทำยังไง ท่านพอท่านปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกเอาไวนะ้นั่นทัานนั่นนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบรู้รู้ขึ้นมาแล้วโอ้ใช่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงเห็นจริงจริงๆรงิเออเจอของจริงเลยเนะี่ยทําไมจึงเจอของจริ ง, รงพราะนั่งภาวนาจิตสงบแล้วใจกับกายเนะี่ยมันคนละอันกันกายก็คือร่างกาย ใจก็คือร่างคือความรู้สึกนึกคิดนะนะั่นแหะคือใจตัวใจไม่ตายเห็นได้ชัดเลยกนะันร่างกายนตายแน่ที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับรถกับคนขับรถนะคนขับรถก็คือใจร่างกายก็คือเหมือนกับรถเนะนี่ยนะคนขับรถนะนะั่นตัวนั้นนะสําคัญที่พระพุทธเจ้าว่ามนโนปุพังใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ทนะ่นให้ความสําคัญเรื่องของใจเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราท่านก็ภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะไม่ใช่จะหลับหูหลับตาจะไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่นะไม่เกิดประโยชน์แต่เชื่อเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัตินะก็ยังกิ่งใจอยู่เหมือนกันยังสงสัยเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าวะส่วนลึกของใจจริงหรือเปล่าวะ แต่ถ้าว่าเราทำจิตใจให้สงบจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นละการตัดสินใจของเราจึงเชื่อมั่นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อทั้งหมดว่าตายแล้วต้องเกิดแน่สิ่งที่ให้เกิดนั่นคือใจคือมโนคือใจตัวนี้จะพานาพาไปสู่ในสถานที่ต่างๆไปเกิดเป็นช้างม้าั ว, วควายหมูหมากาไกเออ่เป็นเทวปุถเท ว, วดาอินพรม ไปได้ทังนั้นคือใจตรงนี้ที่มันไปอย่างนั้นเพราะอะไร่พระพุทธเจ้าครเพราะกรรมกรรมคือการกระทำถ้าคนทําดีบุญกุศลที่ส่งไปเป็นลูกกุนมันจะพักไปทางดีถ้าเราทํากรรมไม่ดีถ้าทำกรรมชั่วทําบาปทํากรรมกรรมชั่วนั่นแหละจะพาผักดันดวงวิญญาณตรงนั้นไปสู่ทุกขติอืม ไปได้ทั้งนั้นถ้าทํากรรมหนักอะไรก็ยิ่งถาลามลงลึกเหมือนกับคนทําความชั่วในเมืองมนุษย์ออป้นแล้วก็ยังไม่แล้วยังฆ่าทรัพย์เจ้าของทรัพย์เขาอีกฆ่าทั้งพ่อแม่พี่น้องฆ่าทั้งครอบครัว อ, อีกแล้วเอาเงินทรัพย์สมบัติอีกเขาว่าคนประเภทนั้นคือโทษโทษหนักใช่ไหมใช่โทษประหารแล้วก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเอค ไปโทษอะไรโทษประหารคือมันโทษหนักมันก็ต้องมี อ, อถ้าว่าไปเอหยิบเอาขนมเขาชิ้นหนึ่งไปออแต่มัเขาโมยยุกแต่มันก็ไม่ถึงกับถึงขนาดนั้นอันนี้แปลว่าโทษเบาเ อ, อผิดไหมผิดแต่มันโทษเบาอันนี้ก็เหมือนกัน่ะบาปหนักบาปเบามันก็มีลักษณะอย่างนั้น่ะถ้าเราทํากรรมหนัก อ, อมันก็ ถลำลงไปอเวจีมหานรกถ้าเท่าทำกรรมเบากว่านั้นมาก็เอาตกนรกปั้างใช้กรรมนินดๆหน่อยโทษศินไหมบ้างลักษณะอย่างนั้นเพราะฉนั้นกรรมคือการกระทำตัวนี้แนหะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าทำกรรมดีแล้วกรรมดีจะผลักดันไปสู่ความสุขความเจริญ มีแต่ความสุขไปนะที่นั่นสถานที่ใดมีแต่ความสุขทั้งนั้นเพราะกรรมกรรมดีพาพานํำเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีนะทําแต่กรรมดีกรรมดีจะพาไปสู่สุขคติถ้ากรรมชั่วแล้จะพาไปตกต่ำนะรับพรอนุโมทนาให้พร